อยากย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงที่เกา่าอยากจะทำให้เรื่องของเราดีกว่านี้อยากย้อนคืนวันเวนลาที่เธอและฉันมีวันที่แสนดีทีเวลานี้มีเพียงแต่เราอีกเหมือนใครแต่ฉันก็รู้จะ